ไม่ว่าเราจะศรัทธาเพยียงใดแต่ถ้าจิตไม่กลับข้าในตัวเองนั้นจะได้ผลนะย้อนนึกไปถึงพิสูจน์ที่สําคัญพิสูจนหนึ่งครับซึ่งนักศึกษาในแวดวงนักศึกษาถือว่าพระสูตนนี้เป็นปฐมกาลของพุทธคือเป็นพระคัมภีร์เหมือนเราก็เป็นเยนนิสิตถือว่าด้วยการําเนิดของโลกของมนุษยชาติในพระสูจนนั้นเล่า ว, ว่า พระพเจ้ทาทรงตรัสเล่าให้ภิกษุฟังว่าแรกเริ่มเดิมทีมนุษย์ไม่มีรูปร่างมนุษย์เป็นอมภสระพรมครับเป็นพรหมทึ่งเป็นแสงสว่างรายรูปเป็นแสงรืองชี้แจงตรงนี้เราไม่คนตั้งคติว่าจริงหรือไม่จริงนะครับขึ้นกับความหมายที่ว่าเราจะเอาประโยชน์อย่างไรนะต่อมาก็มอมภสระพรมเหล่านั้นนะครับไม่มีเพศไม่มีหญิงไม่มีชาย อยู่เนื้อความเป็นเพศเป็นเพียงแสงสว่างอันประเสริฐทฤษฎีนี้น่าสนใจมากนะครับผมไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ต่อทฤษฎีการกำเนิดของมนุษย์ไปไประมาณกลายเป็นเกิดจากสารเคมีชนิดหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาอ้างอย่างนั้นผมคิดว่านี่เป็นความคิดที่อ่อนมากๆชีวิตมันไม่ด้อยในขนาดนั้นต่อมาเอาัสลุลมมันได้กลิน่นงวนดินครับงวนดินนี่ จริงคำงว่าง้วนเป็นภาษาโบราณง้วนคือคำวุ้นนะครับตัวงองูกับวัวแหวนแทนกันได้เจ็ดครัง้งอดีตเราเรียกงู ว, ว่าวัวเรียกแทนกันได้งัวหรือวัวก็ได้วุ้นเปนกินหอมอภัสลมก็ลงมาสวยในสุดล่างก็แข็งแข็งแล้วแตกตัวเป็นสองเพศต่อมาก็ติดรสชาติของดินถ้อยคําเล่าที่เป็นประการน้หรือที่สาษังกฤษเขาเรียกมิตร เป็นปรัมปรากคติวนี้มีความหมายลุ่มลึกเราจะจับเวยย่างซื่อไม่ได้ครับความหมายลุ่มลึกของมันก็คือว่าก้อแล้วแสงสว่างที่เป็นประเสริญนั้นในขณะนี้ในเวลานี้ในมองยาวนี้ยังซ่อนแสงอยู่ในตัวเราหรือเปล่านี่เนื้อหาอยู่ตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าการภาวนาชั้นสูงสุดนั้นคือการกลับก็สู่แสงสว่าง มันประเสริฐในหัวใจเราหรือเปล่าถ้าใช่นะตรงนี้สนุกคำว่าสนุกหมายถึงว่าการภาวนานั้นไม่ได้เกี่ยวกับการติดตามครูบาอาจารย์หรือติดตามพระพุทธเจ้าไปถึงอินเดียหรือที่จริงไม่มีแล้วกับตอนนี้มีแต่ซากอีกซากปูนผมมายุประมาณ2ี่เดปีผมคืนหนึ่งผมเหงาใจนี่เล่าเล่นครับเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังคืนนสาขาคือหนึ่ง ตอนนั้นยังเด็กมากอยู่วอร์พักเพื่อนก็ไปกันหมดผมอยู่คนเดียวผมเหงาผมร้องไห้เลยแร้องไห้คิดถึงหรวงพ่อเจ้านึกในใจว่าท่านอยู่ที่ไหนอยากจะไปหาเปความคิดแบบเด็กๆนะครับแต่ว่าความคิดแบบเด็กๆเนีเย่ยแฝงเร้นในผู้ใหญ่ครับเรามีเสียงออดอ้อนอะไรบางอย่างเราขี้สงสารตัวเองเมลูกสแสดงการห่างเหินก็ดีหรือคนรักคนที่รักใคร่กัน เฉยเมยเรารู้สึกว้าวเหว่ใจของเราทนไม่ไหวเมื่อเพื่อนข้างๆไม่นับถือเราเราอยู่ในโลกเราต้องการแสวงหาอํานาจแสวงหายศัก์เพียงเพื่อคนอื่นรับรองเราแล้วเราก็ใช้คนรอบข้างเพื่อเสริมความปรารถนาของเราเราทนแทบไม่ไหวถ้าวันหนึ่งเราพบว่าเราั้งหนี่เฉยไม่มียศไม่มีศักไม่มีอํานาจ ไม่มีชื่อไม่มีเสียงเราแค่ บ, บ้าเท่าน้ได้แพระนั้นทุกๆชีวิตนะครับจะมีอาการดินดน้นรนอาการดิ้นร น, นนั้นเนื่องจากการเสพติดเสพติดยศศักหรือสิ่งที่โลกสมมุติให้นี่คือเรื่องราวที่ผมเริ่มต้นนะครับทีนี้เราได้ยินนะครับว่าจะมีครั้งหนึ่งครั้งใดในชีวิตของเราที่การต่อสู้ สงครามชีวิตในตัวเองนี่นะครับความเหงาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานสมดังถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ผมคิดว่ามีถ้อยคําในบทสวดมนต์ที่กินใจมากที่สุดอันหนึ่งครับสําหรับคนอื่นผมไม่ทราบนะฮะแต่สำหรับผมผมกินใจมากต่อถ้ายคํา พ, พิเคราะห์ชีวิตของพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสว่าปละถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์ ผมเชื่อว่าคำที่จงมากแล้วเราอยากได้อะไรนุ้ไม่ได้ก็ทุกเท่านั้นเลยครับไม่มีอะไรเรื่องราวของมนุษย์เราไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นครั้งหนึ่งจกักรพรรดิพระองค์หนึ่งของจีนนะครับเรียกนักประสาทล่าสมนักมารับสั่งให้เขียนตัวศาสตร์ของมนุษยชาตินักประสาสตร์วนั้นใช้เวลาเดือนหนึ่งแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีจนจกักรพรรดิเรียกให้มาเตือนเรียกมาเตือนในที่สุดก็เขียนออก เขียนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติได้เพียงหนึ่งประโยคเขียนว่ามนุษย์เกิดมามีปัญหาดิ้นร น, นทุกข์แล้วตายจบแล้วครับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติผมคิดว่านี่ก็อา จ, จเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือเรื่องเล่าเพื่อเยอะเยะ้ยหรือบอกเล่าให้มนุษย์ทร้าว่ามนุษย์เราไม่มีอะไรครับผมเริ่มต้นในชั่วโมงบันหยายนี้ว่าครั้งแรกผมได้รับคํา ตอบจากท่านอาจารย์สวนโมกว่าการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดนั้นคือไม่เอาอะไรเลยซึ่งผตกใจมากเพราะทุกครั้งที่เราเริ่มชีวิตใหม่เราต้องการอะไรสักอย่างเราเรียกร้องต้องการเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ผมที่หงอกขาวหนวดขาวที่ขาวหรือผมที่บางศีษะที่ล้านเลี้ยนหรือหลังกงฟันหัก หลังงอื่องหมายความู้ใหญ่คือการสิ้นการเรียกร้องต้องการจากโลกและชีวิตถ้าเราได้ยินเสียงเด็กร้องไห้โยเยเราก็คนกำหนดรู้ได้ว่าเขาต้องการนมหรือต้องการอ้อมแขนของแม่ถ้าจะนินเสียงร้องไห้กระซิกตัดเพ้อแต่ว่าจากสตรีแสดงว่าเธอต้องการเรียกร้องความรักจากคู่รักหรือสามีภรรยาต้องการจากสามี การสิ้นสุดการเรียกร้องต้องการนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่เราจะสิ้นสุดการเรียกร้องต้องการซึ่งนั่นเป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันอาจเกิดจาเด็กที่เรืองปัญญาก็ได้ครับเขาหมดความจําเป็นที่จะเรียกร้องต้องการจากชีวิตดูไปแล้วในชีวิตประจําวันของคนเราเราเรียกร้องต้องการมากเหลือเกินครับจากชีวิตของตัวเอง จนบางครั้งเรางุนงงด้วยซ้ำไปว่าเราต้องการเงินเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนที่เรารู้กันดีว่าพ่อคา้าทักคนหนึ่งมีเงินเป็นพันๆล้านกําลังวางแผนที่จะสร้างตึกคอนโดใหม่ขับรถไปลดความตายอะไรเหล่านี้มันมันน่าจะเตือนเราได้ดีมากครับพี่ว่าเรียกร้องต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์แม้ไม่ขีดส ก, ก้านหนึ่ง เข็มซึ่งเราหามไม่พบเราก็จะโกรธแล้วระดับความโกรธของเราไม่ได้น้อยกว่าการที่สูญเสียเงินพันล้านเลยความโลภต่องเงินหนึ่งบาทของยาจกกับโลภเงินพันล้านนี่ให้ทุกโทษเท่ากันครับความบุญญิตความเลื่อมตัวทัดเทียมกันทั้งนั้นครับไม่ว่าเป็นห้องเต้หรือขอทานดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่ศาสนธรรมแล้วนะครับ หรือเราเป็นผู้ที่เรียกตัวเองเป็ผู้ฝักใฝ่ในการแสวงหาสันติ ธ, ธรรมปราการที่สําคัญมากของผู้แสวงหาด้านนี้ก็คือความสงบผมใช้คําว่าปราการนะครับผมไม่มองว่าความสงบเป็นประตูแต่ผมถือเป็นปราการทีเดียวเพราะแท้ที่จริงนั้นความสงบเป็นกลวงเท่านั้นครับคนเมื่ได้กรามตามอยากแล้วมันก็สงบครับสังเกตดูให้ดี เมื่อบำบัดความไข้ความปรารถนาได้ได้แหวนทังวงหนึ่งได้นาฬิกาก็รู้สึกสงบดังนั้นความสงบมีปัญหาอยู่ ม, มากๆในในความหมายของคำว่าสงบเมื่อเราได้ยินความรู้หรือคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นพระทุดงที่สงกรดทุดงในป่าในดงเสือแดนช้างเมื่อท่านเล่าเรื่องพระอุปาวะของจิตเราจะทึ่งตื่นมากครับ ยิ่งเราไปเจอครูบาอาจารย์ที่สงบแจ่มใสามากๆเรารู้สึกเรื่อมใสและศรัทธาหรือเรานั่งใกล้คนที่สงบเราเพอได้รับความรื่มเย็นเรารู้สึกว่าใช่แล้วความสงบต้องเป็นเป้าหมายในชีวิตแน่แต่จริงหรือครับเพราะวัฒนธรรมนี้เนี่ยวัฒนธรรมการแสวงหาความสงบโดยการสะกดจิตตัวเองให้ดำลึกลงไปในตัวเองปิดถูกปิดตามไม่รับรู้ต่อความเป็นจริงภาย น, นอก วัฒนธรรมนี้ดำเนินอยู่ก่อนหน้าพุทธกาลถึงสี่พันปีครับดังนั้นอาจารย์รุงโบราณนั่นเป็นชาวพุทธผู้มีความเข้าใจเจนจับในเรื่องอันนี้ได้เตือนสติแล้วว่าความสงบนั้นเป็นดุดศิลาทับหญ้าแกจะยินใช่ไหมครับเอาหินทับหญ้าหญ้าขึ้นไม่ได้แต่พอเอาหินออกเท่านั้นเองมันขึ้นโลดยอดขึ้นมาหนักขึ้นไปอีกสายตางผมเคยเห็นคนที่สงบมากๆหน้าเรื่มสายหน้านิยม แต่เมื่อถึงอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเลยครับเราพบว่าความสงบชนิดนั้นเป็นสิ่งกรรมล่อครับเป็นสิ่งไม่จริงแท้เนื่องจากเราไม่รับไม่รู้ไม่ไมชี้อะไรข้ามเื่อสงบเป็นอาการเป็นผลพวงของการสะ ก, กดจิตตัวเองเท่านั้นเองครับในขณะที่เราหลับตาหลัหูคือไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นจิตมันก็มีอารมณ์เดียวเท่านั้นเองครับมันปิดล้อมหมดมันก็สงบ แต่ว่าเป็นความสงบอยู่ภายใต้การกดทับภายใต้สมาธิชนิดหนึ่งทีนี้เพราะไม่ได้ทำมันนั้นนั่นเองหรือสมาธิอ่อนแรงลงมันก็พลุ่งขึ้นมาอีกแล้วครับสิ่งนี้กนลวงล่ อ, อนี้เจ้าชายสิทถาษฐ์เื่อสมัยเป็นนักพลดเล่ร่อนเพียรพยายามถึงหกปีเต็มๆครับภายใต้คติความเชื่อเช่นนี้ไปเรียนจาครูสองสององค์ น, นะครับอุท ธ, ธกะอาลาละ ถ้าสมมุติวความสงบเป็นวิถีทางแล้วผมอยากจะถามที่ประชมุมครับว่าทําไมพระเจ้าไม่ทําต่อทําไมท่านต้องหนีไปดื้อไปแล้วไปบอกครูบาอาจารย์ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นท่านรู้แล้วแต่ว่าท่านคนพบว่ามันยังอาพาธอยู่อาพาธแปลว่ามันถ้าภาษาทั่วไปแปลว่าป่วยนะฮะในที่นี้แปลว่ามันยังแคลนคลอนคลอนแคลนเมื่อเราเข้าชานนั่งสมาธินิ่งสงบ ชีวิตก็เข้าสู่ภาวะที่แปลกประหลาดครับว่ากันว่านักเสพของมึนเมาอธิบายฟังผมไม่กล้า ย, ยืนยันเพราะไม่เคยกิน l อ d เีกัไปพอพอเข้าฌานเข้าอย่างนั้นเนอะนี่คือสิ่งที่เราเตือนนะ ว, ว่าการกระทำสิ่งชั่วคราวเหล่านี้แม้จะดูพิสดารแต่ว่าไม่มีประโยชน์มากมายนะครับมันทำให้เราคำนึงว่าถ้าเช่นนั้นคาสอนของพระเจ้าไม่น่าจะมาเน้นที่ตัวความสงบ คำสันติไม่ได้หมายความสงบนะครับสันตินี่หมายถึงว่าสงบมู่งจากกิเลสตัณหาอาวิชชาดับสิ้นเชิงแล้วครับจริงๆคำสันติเป็นชื่อเรียกของนักพรตซึ่งมักจะเลือกคู่กับสันติไมตรีครับเป็นชื่อเรียกนักพรตว่านักพรตต้องมีสันติธรมและมีไมตรีคือเมตตาจิตต่อสัตว์โลกนะดังนั้นทำให้เราคํานึงว่า การปฏิบัติธรรมะของผู้เจ้าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยและยากแต่เท่าที่เราเรียนรู้บริยัติแล้วรู้สึกมันสิ่งที่ยากมากกว่าคนจะละกิเลสกว่าจะบรรลุฌานขั้นหนึ่งมีมีตกวิจารพิธีสุขเอกกตาไหมฉันจะเรียนบริยัติแล้วก็จําไม่หมดแล้วในด้านภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นไปได้อย่างไรครับผมไม่อ้างตัวว่าเคยคุ้นเคยกับวัดวาอารามนะครับเพราะว่าก็ แม้จะท่องที่อยู่ในวัดวารามนานก็จริงแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นนั่งสงบมันเป็นไปไม่ได้ครับโดยหลักแล้วการเข้าฌานเข้าสมาธิที่เป็นสิ่งวิเศษทั้งนั้นนะครับแต่โดยความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นความเป็นจริงนั้นเราไม่ได้เริ่มต้นการเข้าฌานที่ป่าในกรดแบบทุดงทรงกรดแต่โดยความเป็นจริงเราเริ่มตอนที่เรากําลังอาบนะ้ําขณะที่เรากําลังล้างจานครับ ถ้าเราละเลยสิ่งนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราจเจริญสติไม่ได้ในขณะที่ล้างเชา้าอย่าหวังเลยครับว่าเราจะทําได้ในขณะที่นั่งหลับตาอยู่เพราะขณะที่เราเคลื่อนไหวอินทรียศาสารมันมีความตื่นตัวอยู่ในตัวของของมนุษย์นี่เองนะครับและยิ่งไปนั่งนิ่งเข้าเท่าไหร่มันยิ่งจมจมเดี๋ยวก็คำนับครูบาจารย์ทันทีคือสบงบครับดังนั้นหัวข้อครั้งนี้ผมยึงตั้งว่า ติดตามรอยบาทพุทธะขณะที่ล้างชาติเป็นคําพูดจริงๆเลยนะผมไม่ได้พูดเล่นหรือตลกขนองหรือแสวงหาหัวข้อที่มันประหลาดประหลาดมาพูดไม่ใช่อย่างนั้นครับความเป็นไปได้นี่มันอยู่ตรงไหนครับเรามาวิเคราะห์ดูในตัวชีวิตของเรานะครับเอาละครับพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบันทึกของความรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาลเราไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นนะครับ ทฤษฎีหรือหลักธรรมด้านปริยัตนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแต่ว่าเมื่อเราลงมือปฏิบัติเ ร, เราเริ่มต้นในพระไตรปิฎกไม่ได้เราไปเริ่มต้นสมัยพุทธกาลไม่ได้แต่เราเริ่มตรงความรู้สึกสดๆที่ปรากฏอยู่รอบๆตัวเราในตัวเรา น, นั่นเองผมใช้คำว่าในตัวเราและรอบๆตัวเรามาด้วยกันเพราะว่าตัวเรากัวสิ่งแวดล้อมไม่ได้แบ่งแยกจากกันครับาศาสาท ร, รอบนอกเราสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวรอบตัวครับ สิ่งสำคัญมากในการเจริญวิทัศนานั้นก็คือกลับเข้าไปในตัวเองกลับเข้าไปสู่ความรู้สึกตัวในทันทีที่คิดในทันทีที่เรากลับเข้าสู่ความรู้สึกตัวขณะนั้นแม้มือของเราก็ลังล้างจานอยู่แต่เราได้ติดตามรอยของพุทธไปติดๆแล้วครับสิ่งนี้นั้นถ้าเราไม่ได้ลองด้วยตัวเองนั้นเราจะหาทราบซึ่งไม่ครับ แต่มันพิสูจนได้อย่างหนึ่งนะครับว่าในขณะที่ความฉุกละหุกทำกลางความฉุกละหุกจอแ จ, จของการงานของธุรกิจการงานหรือกิจกรรมอะไรต่างถ้าเราตั้งสติได้มันพิสูดเลยครับว่านั่นคือการภาวนาที่แท้จริงนี่คาพูดใช่ว่าปฏิบัติธรรมะง่ายในวัดครับยากที่สุดในบ้านทําไมยากเพราะในบ้านมันมีลูกมีเต่าโยเยอกันอยู่คนนู้นจะออยนี่คนนี้จะอ่อยนี่ แต่ว่าในความยากนั้นเองครับมันที่สุดถ้าเราตั้งสติขึ้นมาได้ควาว่าความรู้สึกตัวนั้นนะครับมันไม่ใช่เราสร้างความรู้สึกขึ้นใชยที่จริงความรู้สึกตัวนั้นมันมีอยู่ก่อนหน้าที่เราจะไปรู้ไปเห็นนี่อีกชีวิตคือความรู้สึกตัวนั้นเป็นอันเดียวกันอยู่ครับชีวิตคือความรู้สึกตัวได้ถ้ารู้สึกตัวไม่ได้ไม่ใช่ชีวิตครับอย่างก้อนหินหรือดิน เขารู้สึกตัวไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกตัวได้ก็คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับมันไม่ได้มีชื่อว่ากขอของอกขอ็องาเป็นสิ่งสมมุติเราร้องเรียกชีวิตชีวิตนั้นเราเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้นะครับอย่างเราเห็นคนเอะไรเนี้ยเราไม่ได้เห็นชีวิตเราเห็นรูปและการเคลื่อนไหวแต่ทั้งๆที่เราเห็นไม่ได้แต่เรารู้สึกได้ครับ แต่ต้องรู้สึกที่ตัวเองมัน <c oughs> น่าประหลาดมากครับว่าเราคือชีวิตแต่เรามักจะเข้าไปในความคิดแล้วก็สร้างเรื่องราวว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่าง น, น, น, างนี้ดังนั้นเราจรึงรู้สึกไม่ได้แต่ทันใดที่เรารู้สึกได้เราก็ถอนตนจากคลองของความคิดจากการดึงดูดของความคิดนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อเรานั่งเล่นอยู่ ผู้คนที่นั่งอยู่ริมถนนป้ายรถเมล์หรือในเครื่องบินเข <c oughs> าไม่ได้นั่งเปล่าเลยครับเขากำลังคิดแต่เรื่องที่เขาคิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นอดีต ท, ทั้งสิ้นครับเพราะทุกๆคนมันมีความจำมีประสบการณ์บางคนนั้นเรื่องเกิดเมื่อ20ปีกันลืมไม่ลง ขยันที่จะเก็บมาฟื้นขึ้นมาคล้าวเคลียร์ตัวเองเล่นขบเคี้ยวและให้เศร้าใจเล่นคุณเราทุกคนนะครับจะมีความแปลกประหลาดตรงที่ว่าติดอยู่ในวงจรของอดีตความจำประสบการณ์กับแล้วนำมาย่อยใหม่มาฟื้นตัวขึ้นมใหม่แล้วแล้วเราเล่าแล้วแล้วเราเล่าไม่ว่าอดีตนั้นจะขมขื่นหรือรุ่งเรืองเพียงใด เราสลับไม่หลุดจากอดีตแต่มีสิ่งน่าประหลาดมากครับในขณะที่รถชนกันโครมจะหายไปทันทีอดีตที่กาลังหมุนทิ้วอยู่ในหัวสมองเร า, าเราประสบกับสิ่งสดๆและเป็นจริงมากกว่าดังนั้นช่วงครู่ขณะนั้นเมื่อเพื่อนมือแตอะไหลเราก็หลุดออกจากอดีตหลุดจากวงจรที่กาลังหมุนทิ้อยู่แต่ช่วงขณะเดียรครับเพราะการสนทนาจบลงกลับไปแล้วครับ ประสบการณ์ก่ของเรานั่นเองครับที่จับยึดตัวเราไวา้ดังนั้นมันพิสูจน์แล้วครับด้วยอำนาจของสมถะการนั่งนิ่งสงบหลุดอจากอิทธิพลของอดีตไม่ได้คนคนนั้นยังเป็นคนเดิมครับต่อหน้าตาแจ่มใสขึ้นแต่กิเลสตัณหาเท่าเดิมครับแล้วรุนแรงขึ้นด้วยครับมีข้อเจจริงบางประการที่ว่าในความสงบนั้น ไม่เหมือนกับความเร่าร้อนที่เป็นของกามราคะแต่ลสของการติดยึดความสงบอาจจะรุนแรงกว่านั่นคืออัศมิมาณนะคนบางคนไม่มีเรื่องกามแต่ว่ามีความรุนแรงในทิฏฐิมานะจัดเพราะคิดว่านั่นหลุดจักสิ่งหนึ่งถ้าไปติดอีกสิ่งหนึ่งซึ่งละยากกว่าจริงๆกามลมไม่กี่พีมันก็เลิกกล้ครับดูดูแล้วมันเร่าร้อนแต่ว่าพิสงไม่มาก แต่ว่าลดความสงบติดยึดอยู่ในอารมณ์หนึ่งนี่ยากที่จะแก้ไขามาผมไม่ได้บอกว่าให้ให้หันไปยึดกามมากกว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่เพียงเก็บเที่ว่ากามแล้วมันมันชวนหลงไหลอยู่แตมมนนนม่มันกินช่วงไม่นานนะครับเมื่อ ไ, ไหวผ่านไปทีนี้มาเพลเพลินดูอีกอันหนึ่งครับว่าในการเจริญพรนานั้นนะครับความสลับสําคัญไม่ได้อยู่ตรง ความรู้ความเข้าใจที่กว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดแต่มันขึ้นกับปฏิภาณและไหวพริบคือการเจ้าหนักรู้ขึ้นมาในขณะนั้นถามว่าทํายังไงในเมื่อเราไม่รู้ตัวแล้วมันจะรู้ตัวก็ไมาได้อย่างไรตรงนี้เป็นปัญหาที่แท้จริงครับเราอาจจะเข้าใจได้ว่าถ้าเรารู้ตัวขึ้นเราก็หลุดออกจากความคิดความคิดนี่เลยครับที่นําทุกๆสิ่งมาในกระแสความคิดมีทุกเรื่องครับ ในขณะที่เรารู้ตัวนั้นขณะที่ความรู้สึกตัวปรากฏตัวขึ้นนะพลังของความรู้สึกสดๆความรู้สึกตัวนั้นจะเข้าไปจบับระเบียดขึ้นสมองเราจะพบการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดครับดังนั้นการปฏิบัติเช่นนี้นะครับทพ่เภกาการเจริญสตินั้นไม่ใช่การปฏิบัติที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบเราสะสมเงินแต่เป็นการสะสม อุปนิสัยที่ฉับไวในการรู้ตัวอุปมาเช่นเดียวกันหัดขับรถยนต์นะครับคนขับรถยนต์ไม่เป็นนอาจจะ ค, คิดว่าคนขับเป็นมาเก่งมากเป็นอัจฉรยิยะนี่จริงไม่เอาเรื่องธรรมดาเท่านั้นมันการขับรถยนต์เป็นนั้นไม่ใช่พลังความสามารถแต่เป็นการสร้างอุปนิสัยหลังพวงมลาลัยขึ้นนั่ง บ, บ่อยๆไม่ช้าวนานเดียวเป็นเหมือนว่าการศึกษาทั้งหมด เป้าหมายการศึกษาอยู่ตรงการก่อสร้างอุปนิสัยใจขอครับสิ่งนี้ผมคิดว่ามีความสาคัญอยู่ใครสักคนหนึ่งออกบวชมา 20-30 ปีแต่ไม่อาจสร้างอุปนิสัยแห่งความเป็นพระภิกษุได้การบวชนั้นล้มเหลวครับสามวันนี้มีคนหวงดีผมคนหนึ่งเอามาตรัยคันเบรรอร์เอร์มาทิ้งไว้ที่บ้าน เขาสงสารว่าผมไม่ไม่ไมีรถออกไปซื้อถุงข้าวผมก็เห็นดีอยู่เพราะช่วงนี้ไม่มีก็พยายามสร้างอุปนิสัยแล้วก็ล้มเหลวครับผมสร้างอุปนิสัยรถอุนิสไม่ได้นี่ว่าล้มเหลวในการที่สร้างอุปนิสัยในความรักในการครองคู่ครองเรือนนะครับสิ่งสําคัญไม่ใช่ตัวความรักแต่เป็นการสร้างอุปนิสัยร่วมกันสําเร็จหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับคนโบราณเขาไม่มีคติเรื่องความรัก ความไข่มากมายนะบางทีไม่รู้จักกันเลยนี่เราเรียกคุมถุงชนยังไครับแต่เขาบรรลุความสำเร็จตรงสร้างอุปนิสัยร่วมกันได้ดังนั้นการสร้างอุปนิสัยดูเหมือน เ, นเป็นเป้าหมายของการศึกษาถ้าเป็นทฤษฎีคติธรรมโบราณนะครับถือว่าการเจริญสตินั้นขึ้นกับอุปนิสัยที่สั่งสมมาแล้วแต่ชาติปางก่อนนั้นเราพบความแปลกประหลาดรอบบางคนนี่อายุคขาน้อยนิดเดียวครับแต่สติเขดีมาก แล้วเขามาสร้างเสริมอุปนิสัยเติมเข้าไปเท่านั้นเองในที่สุดอุปนิสัยเก่าก็สมทบกับอุปนิสัยใหม่เช่นการได้พบครูบาอาจารย์เขา้าเขาก็ฟื้นอุปนิสัยเก่าที่ดีงามนั้นได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีอุปนิสัยที่ดีงามถ้าว่าไม่ถูกกระทําร้ายมากนักตอนเด็กๆแท้ที่จริงจิตใจของเราในทุกวันนี้นั้นสืบสานเนื้อหาสาระเดิมมาจากเด็กๆ เมื่อแม่คลอดออกมานะครับแม่คลอดเจ้าตัวน้อยคือความรู้สึกตัวก้อนเนื้อซึ่งมีชีวิตและรู้สึกตัวได้ออมาเมื่อวัยวะเซลล์ต่างเติบโตขึ้นเขาก็เรียนรู้ภาษาเรียนรู้ที่แยกแยะสิ่งสมมุติต่างๆค่อยๆลืมความรู้สึกตัวอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นราษฎรนีวิตรค่อยๆเข้าไปสู่โลกของการแบ่งแยกโลกของภาษาเหมือนเราเรียกต้นนี้ต้นมะพร้าว เราเรียกมะพร้าวเพื่อแยกจากก้กนตาลดังนั้นเด็กน้อยคนนั้นก็เฉลียวฉลาดขึ้นในโลกส ม, มุติในที่สุดปัญหาก็เกิดขึ้นตามมาในท่ามกลา ง, งความก้าวหน้าของสมองระหว่างสมองกับหัวใจนั้นต่างกันครับสมองคิดแยกแยะระยะทางใกล้ไกลเหมือนทร่าถามเดี๋ยวนี้เราแก่มากไหมเราใช้สมองคิดได้ว่าอายุมากอยู่ในโลกนี้มานาน ถ้าเราถามไปทางหัวใจเราพบว่าหัวใจเราเหมือนเดิมความรู้สึกตัวเท่าเดิมความรู้สึกตัวมันไม่ ม, ไ ม, มีอายุครับแต่ว่าสังขารร่างกายมีดังนั้นวันนี้เรามีสองส่วนคือความรู้สึกกับความคิดซึ่งเป็นการงานของสมองสองสิ่งนี้นะครับถ้าคนที่ชอบเข้าในความคิดมากๆจะรู้สึกตัวได้น้อยซังเกิดดูคนที่เพ้อฝันมากๆ ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วในี่สุดก็เกิดปัญหาหนักหน่วงขึนในชีวิตเพ้อพกและเพ้อฝันส่วนใหญ่นะครับผขาไม่ใช่กแกล้งว่าพวกผู้สนใจศาสนาเนี่ยเพ้อฝันนึกว่าคล้ายๆหมดเพราะว่าเรื่องศาสนธรรมเป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนนะครับแต่แล้วในเรื่องชีวิตนั้นความรู้สึกตัวที่ตรงตงชัดๆจะเป็นสาระที่สําคัญมาก เมื่อเราจับความรู้สึกสดๆได้เราก็เข้าถึงรากฐานของชีวิตเมื่อเราจับความรู้สึกสดๆได้แต่ถ้าถามผมว่าทํำยังไงจึงจะจับได้ในเมื่อเราอยู่ในความคิดอันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะเพราะนั้นมีหลายขั้นตอนมากที่เราจะย้อนกลับมาสู่เนื้อหาสาระ อ, องค์การดํารงอยู่ทุกวันนี้การดำรงอยู่ของเรามัเคยขึ้นกับอดีต หรืออนาคตที่จริงอนาคตมันเป็นสิ่งเป็นอดีตที่ยื่นไปนะครับอผมอาจจะพูดให้คิดเล่นแบบพิสดารนะครับว่าถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่คืนนี้ทั้งคืนหนี่งเราพบว่าพรุ่งนี้ยื่นหนึวันนึงเลื่อนหนึวันนึงเสี่ยงไหมครับว่าพรุ่งนี้เราจะไล่พรุ่งนี้ไม่ทันดังนั้นคำว่าพรุ่งนี้กับศัพท์วันหน้านี่ความหมายเท่ากันครับ นึกออกไหมครับว่าสมมติว่าเราคิดว่าชั่วโมงข้างหน้ากับศตวตรรษหน้านี่ผลเท่ากันคือมันยังไม่เกิดแต่เราก็คาดคิดไปที่จริงอดีตก็เหมือนกันครับพระาพระท่านบอกว่าอาดีตล่วงไปแล้วไม่ควรอะไรอาวรเป็นทําปลอบกระโลมอนาคตยังมาไม่ถึงไม่ควรกังวลเห็นธรรมะในปัจจุบันอยู่หลักหลัด คือเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเห็นปัจจุบันกําลังเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นคือสิ่งที่สําคัญมากครับว่าปีหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะเราอยู่ในห้วงความคิดเราจะลักลูกมากเพียงที่สร้างฐานะหลักประกรันมั่นคงโดยเราไม่รู้สึกตัวเลยครับ ความรู้สึกตัวนั้นในขณะที่เรารู้สึกตัวเราก็จะเห็นตากําลังกระพริบอยู่หัวใจกําลังเต้นอยู่มือที่กําลังเคลื่อนไหวล้างจานอยู่เห็นเอาซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยครับการมีความรู้สึกตัวและเห็นกิจกรรมของชีวิตนั้นคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าครับโดยไม่ต้องออกแรงเดินติดตามไปเลยสิ่งนี้นเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่า ไม่มีใครพิสูจน์เรื่องนี้ได้จนกว่าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นจริงเพราะว่าในขณะที่เรารู้สึกตัวได้เบ็ดเสร็จเราได้เข้าครอบครองชีวิตทุกๆอันนุของชีวิตสิ่งห น, นึ่งจะปรากฏขึ้นตรงที่ตรงที่ว่ามีความเต็มตัวปรากฏขึ้นในขณะที่เราเข้าไปในความคิดเราเป็นส่วนหนึ่งของมันครับมัมีเรื่องอะไรขึ้นสักอย่าง เราเข้าไปเป็นส่วนเซี่ยวกับมันมันควบคุมเราดังนั้นขณะที่เราหลุดจากความคิดความคิดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรานั้นความเต็มตัวจะครอบครองเนื้อที่ในสุดนะครับการปฏิบัติธรรมะที่เรามักจะเรียกกันว่าชั้นสูงนั้นไม่ใช่การเข้าป่าทุดดงสงกรดนั่งหลับตาเข้าชานหนึ่งชานสองชานสามดังนั้นเป็นเทคนิคพิเศษเป็นวิธีทางพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับ ถามผมว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันในขณะที่ล้างชามก็ดีเนี่ยเช็ดพื้นก็ดีสาระสำคัญมันด้อยกว่าการเข้าชานหรือไม่ผมอาจจะเปรียบเทียบได้ว่ามันเหมือนเราขับรถยนต์ไปต่างจังหวัดแล้วเราไม่ต้องการไม่ประสงค์ที่เข้าไปสู่ความจอแจของการจราจรในเมืองใหญ่เราก็าไปถนนบายพาสซึ่งคล่องตัวกว่าการเข้าไปสู่ ถนนผ่านเมืองนั้นเราจะเจอปัญหาแต่พร้อมกันนั้นเราจะมีประสบการณ์ที่สำคัญแต่การไปถนนบายพาสถนนผ่านเลยนะครเราได้ยินแต่เสียงของความเจรจาแล้วเราไม่สนใจที่จะหยุดอยู่การปกบติธรรมนั้นไม่ใช่การหยุดอยู่นะครับไม่ใช่การหยุดอยู่ที่ตัวความสงบความสงบนั้นมีสองชนิดครับคือสงบแบบไม่รู้ตัวกับสงบแบบรู้ตัวสงบแบบรู้ตัวนี้เป็นสงบ ภายใต้ฐานการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงประเด็นเนื้อหาสำคัญที่สุดในะวันนี้ที่ผมก็ลังเล่าเล่าเล่าสู่กันฟังนี่นะครับ